จเจริญพท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาล้างบาปมาชำระจิตใจให้สะอาดด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริง เป็นผู้ที่สามารถนำพาชีวิตของพวกเราให้ไปสู่ความล่มเย็นเป็นสุขให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับพวกเราเพราะพวกเรานี่ เปรียบเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้จําเป็นจะต้องมีคนตาดีนาทางถ้าหาคนตานดีไม่ได้หาสุนักได้ก็อย่างดีคนตาบอดนี่ต้องมีผู้นําทางเพราะไม่มีตามองเห็นทางนั่นเองพวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอด ถึงแม้เราจะมีตาที่ร่างกายแต่ตาร่างกายนี้ไม่สำคัญเท่ากับตาของใจใจของพวกเราตอนนี้กำลังตาบอดเพราะถูกความหลงครอบงำปิดบังเป็นเหมือนกับผ้าพันตาถ้าเราเอาผ้าพันตาของเรา เราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรแต่ถ้าเราเอาผ้าออกจากตาได้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไร แต่ถ้าเราไม่สามารถเอาผ้าปิดตาปิดใจของเราออกไปได้สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือต้องมีคนตาดีนำทางเหมือนคนตาบอดที่ต้องมีคนตาดีหรือมีสุนัขตาดีนำพาไปตามสถานที่ต่างๆพวกเราจึงต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เปรียบเหมือนคนตาดีนั่นเองคนที่เห็นนรกเห็นสวนรรค์เห็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่สวรรค์เห็นเหตุที่จะพาไปสู่นรกเห็นเหตุที่จะพาไปสู่ความล่มเย็นเป็นสุดเห็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความทุกข์เห็นเหตุที่จะนำพาไปสู่การสิ้นสุด ของความทุกข์ดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีผู้นำทางพาชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปดังนั้นเราจรึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนก็ต้องเชื่อพระอริยสงสารกที่จะเป็นผู้สอนพวกเราแทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าเรามีคนสอนมีคนบอกทางเราก็จะเดินทางไปได้อย่างปลอดภัย ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการที่เราจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือเราต้องศึกษา เรียนรู้ว่าพพระพุทธเจ้าเป็นใครท่านเป็นผู้มีตาดีกว่าพวกเราได้อย่างไรเราต้องมีความเชื่อในคำสอนของพพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขและความเจริญเราต้องเชื่อพระอราิยสงสาวก ต้องศึกษาว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาได้อย่างไรทำไมท่านจึงมีตาทำไมเราจรึงไม่มีตาเมื่อก่อนนี้ท่านก็มีตาไม่มีตาเหมือนพวกเราแต่พอท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมา ท่านก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพอปฏิบัติได้แล้วท่านก็สามารถเปิดดวงตาที่มืดบอดภายในใจได้ทาให้ท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นทางที่จะไปสู่นรกไปสู่สวรรค์เห็นทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้รับกันถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงสาวค ดังนั้นเราจึงต้องมาทําความเข้าใจทําความรู้จักว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครก่อนแล้วคําสอนของท่านท่านสอนให้เราปฏิบัติอะไรแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าท่านทําตัวอย่างไรท่านจึงได้เป็นสาวกได้มาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนสอนอย่างไรสอนอะไรพระอริยาสาวกเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นใครท่านมีความรู้ความสามารถความวิเศษอย่างไร เราก็จะรู้เพียงแต่พระพุทธรูปที่เรากราบไหว้กันแล้วเราก็จะเห็นผิดเป็นชอบเห็นพระพุทธรูปว่าเป็นเหมือนพระเจ้าเราอยากจะได้อะไรเราก็มาขอจากพระพุทธรูปอย่างที่ชาวพุทธเรานิยมทํากันเราไปตามวัดวาต่างๆ ที่มีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงว่าศักดิก์สิทธิ์สามารถดองบรรดาสิ่งต่างๆให้แก่พวกเราได้แต่นี่เป็นความโง่ความหลงความไม่รู้ความจริงของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านวิเศษอย่างไรท่านสามารถดองบรรดาให้พวกเรา ได้สิ่งต่างๆจากท่านได้หรือไม่อันนี้เราไม่รู้กันก็เลยกลายเป็นความหลงกันไปหลงคิดว่าอยากได้อะไรก็ให้ไปกราบพระกันอยากร่ารวยก็ไปกราบพระอยากได้ตําแหน่งสูงๆก็ไปกราบพระอยากได้เรียนจบมหาวิทยาลัยก็ไปกราบพระ ถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะนี่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่เป็นความสามารถของพระพุทธเจา้าที่จะทำให้พวกเราได้สิ่งต่างๆได้เช่นบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแทนที่จะไปหาหมอรักษาตามโรงพยาบาล ก็ไปกราบพระไปขอให้พระพุทธเจ้าช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยที่ไม่เคยศึกษาเลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็จะต้องตายอันนี้คือเหตุคือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ศึกษา พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านวิเศษอย่างไรท่านทำอะไรให้กับเราได้ท่านทำอะไรกับให้กับเราไม่ได้เราไม่รู้ชาวาพูดเราเลยหลงทางกันมีพระพุทธศาสนาแต่กับหลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนไม่ได้สนใจที่จะศึกษา พระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครท่านวิเศษอย่างไรท่านทำอะไรให้กับเราได้บ้างเราไม่เคยศึกษากันเลยเกิดมาก็ถูกสอนให้กับพระพุทธลูกกันแล้วก็อยากจะได้อะไรก็ให้ขอกันอยากได้ลูกก็มาขอพระพุทธลูกอยากได้เรียนจบมหาวิทยาลัยก็มาขอพระพุทธลูก อยากได้อะไรสารพัด ส, สารเพลก็มาขอกันถ้าสามารถได้ตามคำขอแล้วพวกเราก็ไม่ต้องไปลงเรียนให้เสียเวลาไม่ต้องไปทำงานทำมาหากินให้เสียเวลาไปวัดไปกราบพระพุทธรูปอยากได้อะไรแล้วก็จะได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการอยากได้เงนินได้ทองเดี๋ยวก็มาอย่างวันนี้เราไม่ต้องไปทำอะไร กับขอพระพุทธรูปอย่างเดียวไม่ต้องเสียเงินไปแทงเบอร์แทงหวยให้เสียเวลาถ้าพระพุทธพระพุทธพุทธรูปแน่จริงเดี๋ยวก็เงินก็จะมาหาเราเองไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขซื้อเบอร์กันดังนั้นขอให้เรามาศึกษาให้รู้จักกับพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีที่เรา จะปฏิบัติตัวของเราให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญมีความสมหวังเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนพวกเราเกิดออกมาจากท้องแม่เหมือนกับพวกเราเพียงแต่ว่าท่านมีบุญเก่าที่ท่านได้สะสมไวมาก จึงทำให้ได้เกิดในท้องของพระราชนีได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้อยู่ในพระราชวังมีความสุขร้อยแปดพันประการแต่ท่านไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นความจริงของชีวิตคือว่าร่างกายของคนเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเพราะพระราชบิดาไม่ต้องการให้ลูกเห็นความทุกข์ของชีวิตกลัวว่าถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวลูกจะไม่มีความยินดีที่จะบิ้นลนต่อสู้ในทางโลกกลัวลูกจะสละราชสมบัติแล้วออกไป บวชเป็นนัก บ, บวชเพื่อหาทางที่จะนําพาไปสู่การที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะการไม่กลับมาเกิดนี้เท่านั้นที่จะทําให้เราไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายตราบใดที่เรายังกลับมาเกิดอยู่ตราบนั้นเราก็ยังจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกัน นี่คือสิ่งที่พระราชบิดาไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าเห็นแต่ก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้เพราะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงลักลอบออกจากพระราชวังเพื่อไปชมทิวทัศน์ไปดูสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นที่อยู่นอกพระราชวัง พอออกไปแล้วจึงได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชหลังจากที่ถามมหาเล็กผู้ติดตามว่าคนเหล่านี้เป็นใครกันพระองค์จึงได้รับรู้ความจริงของพระองค์ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระองค์ก็จะต้องแก่เหมือนกับคนแก่ที่ทรงเห็น พระ อ, องค์ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ทรงเห็นพระ อ, องค์จะต้องตายไปเหมือนกับศพของคนตายที่ทรงได้เห็นแล้วพระ อ, องค์ก็จะได้รับทราบว่าคนที่เป็นนักบวชนี้เขาบวชกันทำไมเขาบวชเพื่อที่จะหาทางที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พอได้เห็นความจริงอ น, นี้แล้วก็ทำให้พระ อ, องค์ไม่มีความสนใจกับการที่จะสวยความสุขของพระราชโอรสอีกต่อไปกพทรงเห็นแล้วว่าต่อไปก็ต้องแก่ลงไปต่อไปก็ต้องเจ็บไข้ได้ปว่วยและในที่สุดก็จะต้องตายไป แล้วก็ไม่มีอะไรเช่นสมบัติสถานภาพของพระราชโอรสนี้จะไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ยับยั้งความเจ็บยับยั้งความตายได้เลยเนื่องความที่ได้เห็นความจริงอันนี้จึงทำให้พระองค์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจออกบวช และพอถึงวันเวลาที่จะไปพระ อ, องค์ก็ทรงลักลอบออกจากพระราชวังไปในคืนที่ได้ทรงรับทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมาพระ อ, องค์ทรงอุทานออกมาว่าราหุลคำว่าราหุลนี่ภาษาไทยแปลว่าบมวก พอรู้ว่าได้ลูกแล้วก็แสดงว่าได้บ่วงแล้วถ้าเป็นสัตว์ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่อย่างอิสระได้ต่อไปถ้าติดอยู่กับบ่วงดังนั้นพอทรงเห็นบ่วงแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงหนีทันทีไม่ยอมอยู่ใกล้ไม่ยอมอยู่ติดกับบ่วงเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไป ความผูกพันกับพระราชะโอรสก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปบวชเพื่อไปหาทางสู่การหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คือเบื้องชีวิตส่วนหนึ่งของพ่อพระพุทธเจา้าพอออกจากพระราชวังแล้วก็ทรงอยู่แบบนักบวชนักบวชสมัยก่อนก็อยู่แบบ ขอทานดีๆนี่เองดีกว่าแย่กว่าลําบากกว่านักบวชสมัยนี้หลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันที่อยู่อาศัยคุติโบสถิหารต่างๆก็ไม่มีต้องอาศัยอยู่ตามโคนไม้บ้างตามถ้ำบ้างตามเงื้อผาบ้างตามเรือนร้างบ้างเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้า ตอนที่ทรงบำเพ่ญเพียงเพื่อที่จะให้ได้พบกับทางที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของการเงียนว่าตายเกิดอาหารก็ต้องถือบาตรเข้าไปในบ้านหมู่บ้านแล้วก็รับบิณฑบาตจากผู้ที่มีจิตศรัทธาจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ต้อง เก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วเก็บมาผสมเล็กผสมน้อยจนกว่าจะได้จำนวนพอเพียงต่อการมาตัดเย็บให้เป็นผ้าจีวร น, นุ่งห่มต่อไปยารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำมูดน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะเช่นเอาพวกสมอพวกสมุนไพรต่างๆ มาดองแล้วก็ดื่มน้ําปัสสาวะน้ําดองที่ดองด้วยน้ําปัสสาวะนี้นี่คือวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บในสมัยพระพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพีย ง, ยงขอให้เราคิดดูแล้วกันว่าจากฐานะของพระราชโอรสจากการที่มีความสุขความสบายอยู่ในพระราชวัง แล้วต้องมาอยู่ตามป่าตามเขาแบบนักบวชนี่จะลำบากยากเย็นขนาดไหนเป็นเหมือนกับตกลงมาจากสวรรค์ลงไปสู่นรกทั้งเป็นเลยถ้าไม่มีจิตใจที่แน่วแน่ที่กล้าหาญที่มีความปาทะนาอย่างแรงกล้าที่จะ หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจะไม่สามารถทำได้เลยแต่เนื่องจากที่พระพุทธเจ้าได้เคยทรงบาเพ็ญบุญบารมีมามากมายกายกองในแต่ละภพแต่ละชาติจึงทำให้มีกำลังที่จะย้องตกจากสวรรค์มาอยู่แบบบนนรกนี้ แล้วก็สามารถบำเพ็ญเพียรจนในที่สุดก็ได้พบทางที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพอได้พบทางแล้วพระ อ, องค์ก็นำความรู้ที่ได้พบนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือการดำเนินเพื่อที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้ไปถึงการหลุดพ้นจากการเวรว่าตายเกิด น, นั่นเองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง mm hmm. ก็มีสมหัวข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่ง้ให้ทาบุญข้อที่สองให้ละบาปข้อที่สาม ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีเพียงสามข้อนี้เท่านั้นพอพอสั่งสอนแล้วผู้ที่ฟังมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำอาไปปฏิบัติก็สามารถพบกับทางสามารถทำให้ตนเองไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบุคคลเหล่านั้นจึงมีสถานภาพ ที่เราเรียกว่าพระอริยสงสาวุท่านเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละคือพระพุทธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของจิตใจ พุทธทางธ ร, รมังสังฆังสารนังกัจฉามิเราพึ่งตนเองไม่ได้เราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นําทางแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องปฏิบัติเองการปฏิบัตินี้เรียกว่าเป็นอัตตาหิอัตนโนนาโถเป็นการพึ่งตนเอง แต่จะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บอกทางเป็นผู้นําทางเพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นทางเราจะเป็นเหมือนคนตาบอดที่ไม่มีคนตาดีนําทางต่อให้เราเก่งขนาดไหนต่อให้เราเดินทางได้ไกลขนาดไหนก็ตามเราจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองเวลาเราหลับตาแล้วเราจะไม่รู้ว่ า, าทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ตรงไหนทิศเหนือทิศใต้อยู่ตรงไหนเราก็จะไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราได้เราจึงต้องมีพุทธังธรรมังสาคังสารนังกัจฉามิเป็นที่พึ่งเป็นผู้นาทาง แล้เราก็ต้องมีอัตตาหิกอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ขออะไรจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมจากพระสงฆ์ไม่ได้อย่างที่ชาวพุทธเรานิยมขอกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นอัตตาหิกอัตโนนาโถและเป็ น, ปนมิจฉาทิจิความเห็นผิดยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แบบผิดๆคือคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเนรมิตรจะสามารถให้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันได้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะต้องเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรให้เราได้บ้างทำอะไรให้เราไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราเองนี้ทำอะไรให้กับเราได้บ้างทำอะไรให้กับเราไม่ได้บ้างเราก็จะวนเวียนอยู่กับการเวียนว่าตายเกิด วนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทําอะไรให้กับเราได้บ้างแล้วเราต้องทําอะไรเพื่อที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายอันนี้ต้องอยู่ที่ศรัท ธ, ธาเมื่อมีศรัท ธ, ธาแล้วก็ต้องศึกษาทําความเข้าใจให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทําอะไรให้กับเราได้ทําอะไรให้กับเราไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้านี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราไม่ได้พระพุทธเจ้าป้องกันไม่ให้เรา ไม่ตายไม่ได้ป้องกันความตายไม่ได้ป้องกันความแก่ไม่ได้ป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทำได้ก็คือสอนให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ได้ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือถ้าเราปฏิบัติสข้อที่พพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ คือทำบุญละบาแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการทำบุญทำอย่างไร mm hmm. ก็อย่างที่ญาติโยมมาทำกันในวันนี้เรียกว่าทำบุญเอากับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานจะตกปัจจัยเงินทองมาถวายให้กับพระภิกษุถวายให้กับ วันอันนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญคือการให้ทานแล้วการไม่ทําบาปทําอย่างไรก็คือการละเว้นจากการ ท, าทําบาป5ข้อคือต้องไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวดีไม่พูดปดไม่เสพสรารยาม마แล้วการชําระใจให้สะอาดทําอย่างไรก็ต้องปฏิบัติ ธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนามีสองระดับได้แก่สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสิ่งที่เราต้องจํากัดกําจัดคืออะไรก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองนี่เองกิเลสที้เป็นสิ่งที่ทําให้ใจของเราไม่สะอาดทําให้ใจของเราสกรปรกเหมือนกับคราบสกปรกที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าของเรา วิธีที่เราจะกําจัดคราบสปกปรกออกจากเสื้อผ้าของเราเราทําอย่างไรเราก็ต้องซักด้วยน้ำซักด้วยผงซักฟอกพอเราซักด้วยน้ําด้วยผงซักฟอกคราบสปกปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของเราก็จะหายไปหมดความสปกปรกที่ติดอยู่กับใจก็คือความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะหายไปหมดถ้าเรา ใ้การปฏิบัติจิตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอเราทำบุญได้เราก็จะละบาปได้พอเราละบาปได้เราก็จะปฏิบัติสมถและวิปัสสนาภาวนาได้พอเราปฏิบัติได้เราก็จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้พอใจสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีเหตุไม่มีเชื้อของภพชาติหลงเหลืออยู่ในใจเชื้อของภพชาติคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลองอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้ไม่หลงง ม, มงายมานั่งกราบขอพระพุทธรูปขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธรูปพอขอไปก็อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธรูปเลยการที่เราจะได้หรือไม่ได้นี้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยต่างๆที่เราเคยได้มีสร้างไว้แล้วหรือกาลังสร้างใหม่อยู่แต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยต่างๆเราก็จะไม่มีวันที่จะได้อะไรจึงขอให้เราอย่าหลงงมงายอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆจากพระพุทธรูปจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เพราะสิ่งที่พระพระุพะทธธรรมพระสงฆ์จะให้กับเราได้ก็คือนำพานำทางให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาเสริมสร้างศรัทธาให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป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 โดยทั่วหน้ากานเทิร์น